ปิดเทอมกิเลสวันที่ส0สิเมษายน 2,560 กราสบกบนมรสการพระคุณเจ้าสามนเณรคุณแม่ชีกัลยาณมิตรทุกคนก็นั่งสบายๆเนาะสีขาวไปหมดเลยเนาะพกกนเพราะกูกาลังมองเหมือนกันหมดเลยดูว่าใครกลับมาแล้วเนาะใครกลับมาแล้วก็พอเห็นปุ๊บ ถามว่าเราเป็นใครทำไมมานั่งอยู่ที่นี่เราเป็นใครทำไมปองผมทำไมนุ่งขาวและทำไมต้องมีปิดเทอมและทำไมต้องมีเปิดเทอมนะและยังอยู่ในกรอบของส ม, มุติบัญญัตินะเราเป็นนักเรียนนัก นักคือหนักไปทางใดทางหนึ่งนักกฎหมายนักการเมืองนักการค้านักลบนักการอาชีพต่างๆนี่คือภาษาคือนักเขาสมมติว่าให้เราเป็นนักตอนนี้เราเป็นทั้งไมชีนสัมมณีนเป็นนักเรียนจึงมีเปิดเทอมแล้วก็ปิดเทอมนะเรายังอยู่ในกรอบของสมมติบัญญัติทางโลกนะ แต่ถ้าเป็นผู้บำเพ็ญเพียร น, นะเราไม่เรียกว่านักปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมก็ยังเป็นนักอยู่นะยังมาปฏิบัติเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปเป็นนักอย่างอื่นนะแต่ถ้าผู้เดินทางผู้บำเพ็ญเพียรทางจิตวิญญาณจริงๆเนี่ยไม่มีเปิดเทอมไม่มีปิดเทอม นะทีนี้เราอยู่กับโลกใบนี้มันมีสมุิบัญญัติเราก็ไม่ทำลายสมุิบัญญัติทำตามเหตุและปัจจัยแต่ถ้าเราไปหลงมันเมื่อไหร่เนี่ยไปยึดมั่นหรือมั่นว่าต้องปิดเทอมต้องเปิดเทอมปิดเทอมฉันก็ต้องกลับเปิดเทอมฉันก็ต้องมาถ้าอยากกลับไม่ได้กลับปุ๊บก็รู้สึกไม่พอใจถ้าไปแล้ว กำลังสนุกสนานอยู่โดนกิเลสมันครอบงําไม่อยากกลับมาแต่ถูกบังคับให้กลับมาก็ทุกข์อีกนะแต่ถ้าขึ้นชื่อว่าเราเป็นผู้เดินทางในทางสายธรรมนี้เนี่ยไม่มีเงื่อนไขเหล่านี้เหมือนเราหายใจเนี่ยมีปิดเทอ ม, มัหมช่วงนี้เบื่อวะ่ะปิดเทอมหายใจไม่ต้องหายใจมันสักสามเดือนดีไหย เอาหายใจมันละเอียดไปไม่กินข้าวดีกว่าะปิดเทอมให้กระเพาะมันปิดเทอมหน่อยหนึง่งมันไม่มีวันหยุดเลยบางคนวันหนึง 3, 4, 4, ่งสามสี่มือห้ามือก็มีท้เที่ยวดึกทําไมไม่ให้มันปิดเทอมดีไหมปิดเทอมไม่ต้องกินข้าวกันศูนย์นี่น่าจะลองนะเริ่มจากเจ็ดวันก่อนเนาะ เจ็วันนี้ประหยัดไปได้หลายตังค์นะถ้าทุกคนเนี่ยเอาถ้าหยุดกินข้าวมันหนึงสามมือมันหนักไปเอามื้อเดียวก็พอไหมเฉพาะอาหารเย็นนี่ปิดเทอมนะให้กระเพาะมันปิดเทอมไหมถ้าทั้งโลกนี้เนี่ยหกพันกว่าล้านคนเจ็ดพันล้านคนเนี่ยถ้าปิดเทอมแค่ไม่กินอาหารเย็นเนี่ยแค่มื้อเดียวเนี่ยอะไรเกิดขึ้นรู้ไหม เอาละตอนนี้กินมื้อหนึ่งเท่าไหร่ถ้าข้างนอกถ้ายุโรปนี่มันของแพงเลยยิ่งมากเนาะเออเมืองไทยเราเนี่ยมื้อละสามสิบดีไหมนะบางคนกินมื้อละพันเลยนะบางคนกี้มกินมื้อละห้าร้อยบางคนกินมือ 500, นนม้อละร้อยเอาสิบบาทก็พอทั้งโลกสิบบาทคุณเจ็ดพันล้านเนี่ยเท่าไหร่ วันหนึ่งประหยัดไปเจ็ดหมื่นล้านนะเอาเจ็ดหมื่นล้านด้วยเนี่ยมาแจกคนละ ล, ะละ้านแจกคนจนคนละล้านเนี่ยเราจะมีเศรษฐีเงินล้านเจ็ดหมื่นคนแต่ละวันเดือนหนึ่งเท่าไหร่ต้องไปคูณทีเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเดือนหนึ่งสองแสนกว่าคนปีหนึ่งสองล้านกว่าคนเข้าไหมถ้าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่กี่ปีในโลกนี้ไม่มีคนจนนะเราปิดเทอมดีไหม ให้กิเลสปิดเทอมดีไหมปิดเทอมกิเลสดีไหมให้มันพักหน่อยหนึ่งเนาะอันนี้เอาเรื่องปิดเทอมมามาเป็นธรรมะนะกิเลสมันชอบถ้าเด็กที่ไม่ชอบเรียนหนังสือเรอเบอื่อเบอื่อ นับถอยหลังเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่วันนั้นวันนี้วันนี้วันนั้ น, น, น, น, น, นฉันจะได้ปิดเทอมถ้าเอาความคิดแบบนี้เนี่ยมาใช้กับกิเลสเราดีไหมให้กิเลสมันปิดเทอมไม่ต้องทำงานหน่อยหนึ่งเห็นไมถ้าปิดเทอมกิเลสได้เนี่ยเพราะกลัวไม่นานนะเอาแค่เราปิดเทอมเดือนหนึ่งนะหรือว่าเราปิดเทอมไม่ให้กิเลสมันทางานสักเดือนหนึ่งเนี่ย บางทีเราได้เป็นพระอริยะเลยนะเห็นไหมกิเลสมันไม่ชอบมันไม่ชอบปิดเถิมอมันต้องการหลอกเราทุกๆนาทีทุกๆกลมหายใจเข้าออกเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มามองตัวเองที่อาทิตย์ที่แล้วพ่ะครูบอกว่ายากอะไรก็ไม่เท่ากับการเห็นตัวเองการที่จะเห็นตัวเองนี่ยากมาก ทั้งทังที่ไม่ต้องเสียสตังค์ไม่ต้องขอวีซ่าไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรเลยเห็นไหมแค่นั่งหลับตามองเห็นตัวเองเนี่ยเห็นไหมง่ายที่สุดแต่มันกลายเป็นเรื่องยากมากดื่มตาปุ๊บไปเห็นแต่คนอื่นเห็นแต่สิ่งอื่นเป็นเพราะเธอนั่นแหละทําให้มันเปื้อนอ่าเป็นเพราะเธอนั่นแหละพูดเสียงดังฉันจึงนอนไม่หลับเราไม่เคยเห็นตัวเองเลยเห็นไหมเพราะเราไม่เคยปิดเทอม กิเลสเราเลยนะดีไหมเราปิดเทอมกิเลสเราหน่อยไหมนะอย่าให้มันทำงานสักพักหนึ่งดีไหมนะแม้กระทั่งเต้นา น, านานาจิตตังแม้กระทั่งสุเรียนจันทาพ่กคูมาแอบดูทุกเช้านะนะพ่กคูแอบดูแต่ละคนเต้นเป็น ย, ยังไงยังเต้นตามกิเลสอยู่นะนะคนกระโงโชงช่างก็กระโงโชงช่างคนชอบเร็วก็เร็วอยู่นั่นแหละนะ ขาดความปราณีตเพราะกิเลสมันทำงานทุกเวลาแม้กระทั่งอยู่กับตัวเองเห็นมนั่นแหละวันนี้พูดถึงเรื่องปิดเทอมบางครั้งที่เราเข้ากรรมกัน เ, เราเข้ากรรมสามวันเพื่ออะไรนะให้กระเพาะมันปิดเทอมสักสามวันไม่ต้องย่อยอาหารไหมนะปิดเทอมความคิดดีไหม มันก็ยังคิดอยู่แต่เราไม่ปเราไปคิดตามมันนะทำโน่นทํานี่ทํานี่แล้วนั่งอยู่เฉยๆได้ไหมนะนะปิดเทอมทุกอย่างแล้วเราจะเห็นตัวเองกิเลสเราไม่ชอบมันไม่ชอบปิดเทอมไม่มันไม่ชอบให้มันปิดเทอมมันชอบปิดเทอมที่จะไปทําอะไรที่กิเลสมันไม่ชอบมันชอบปิดเทอมแบบน้ำจะได้ออกไปเที่ยวนะ ช่วงที่เราอยู่ที่นี่โดยเฉพาะไม่ชีสา ม, มเณรเราเนี่ยเราปิดเทอมอาหารเย็นนะให้กระเพาะมันปิดเทอมแต่ออกไปนี่ยกินแก้แค้นกินแก้แคนเห็นไมไม่ให้มันปิดเทอมอยูนะ่พอกลับมาก็ปิดเทอมใหม่ชักเขยืดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาเห็น ร่างกายมันอันนี้พ่อคูเตือนนะกินกินข้าวเย็นเดี๋ยวก็ไม่กินเดี๋ยวก็กินเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นโรคกระเพาะนะเพราะว่าร่างกายมันมันมันไปยึดติดตรงนั้นแล้วถึงเวลาปุ๊บไม่ได้กินอะไรลงไปเนี่ยมันจะเรียกร้องนะน้ำย่อยมันจะ อ, ออกมาอันนี้เราพูดถึงเรื่องปิดเทอมนะ ก็ไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดนะสังคมข้างนอกเนี่ยมันก็มีเวลาปิดเทอมนะจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเราปิดเทอมไม่กินข้าวปิดเทอมไม่หายใจไม่ได้เราปิดเทอมในการปฏิบัติธรรมไม่ได้มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำตลอด เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะนะทั้งหมดก็คือเราสะสมความเคยชินเรากิเลสคือความเคยชินหนึ่งกิเลสสองกิเลสสามกิเลสสี่กิเลสหลายๆกิเลสรวมกันกลายเป็นกลุ่มเป็นก้อนกลายเป็นอัตตาขึ้นมานะพะ่อครูจำได้เคยหลายปีก่อนเคยพูดคำหนึ่งมันมีคำพูดที่สวยงาม ก็คือจำอะไรยาวไม่ได้ละคือสั้นๆเขาบอกว่าตายซะตายซะถ้าอยากจะมีชีวิตที่สมบูรณ์หมายความว่ายังไงตายจากอะไรตายจากความยึดมั่นถือมั่นน้ เราไม่มีตายเราไม่มีเราไม่มีเป็นนะอัตตามันตายอัตตามันเกิดที่เราเกิดเราตายเนี่ยคืออัตตามันตายอัตตามันเกิดไอตัวจิตจริงๆแล้วนี่ไม่มีเกิดไม่มีตายแต่ตอนนี้เนี่ยชีวิตเราไม่สมบูรณ์เพราะเรายึดมั่นถือมั่นในอัตตาตั ว, ต, วตนของตัวเอง ชีวิตจึงไม่สมบูรณ์นั่นแหละเขาบอกว่าตายซะถ้าอยากจะมีชีวิตที่สมบูรณ์ตายจากความยึดมั่นถือมั่นตายจากอัตตาอุปทานตัวนั้นแล้วชีวิตเราจะสมบูรณ์ทีนี้วิธีที่จะตายจากมันก็เราไม่มีกําลังพอนะเรากลัวตายเรากลัวเราจะสูญเสียมันนะเราก็ต้องปฏิบัติธรรมทุกวัน ปฏิบัติธรรมคืออะไรการตัดหญ้าคือปฏิบัติธรรมการกวาดใบไม้ปฏิบัติธรรมการกินข้าวปฏิบัติธรรมการนอนปฏิบัติธรรมการทำงานคือปฏิบัติธรรมการเต้นคือปฏิบัติธรรมการหมุนคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือว่าเป็นหนึ่งเดียวกับมันไม่ใช่การทำสมาธิไม่ใช่การเจริญสติเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกับมันมันหมุนเนี่ย ใครหมุนเราไม่ได้หมุนนะที่เขาบอกพระเจ้าหมุ น, นธรรมชาติหมายถึงว่าพระเจ้านั่นหมายถึงมาธรรมชาติมันหมุนเราเป็นแค่ทางผ่านไม่มีผู้ทํากับสิ่งที่ถูกทําทุกอย่างเราอิสระมากนะนี่เรียกว่าธรำเพราะทำะถ้าอยากมีชีวิตที่จะ สมบูรณ์เป็นชีวิตที่อิสระก็ตายซักจำคำนี้ไว้นะแต่ไม่ใช่ไปผูกคอตายนะถ้าตายแบบนั้นอีกหลายชาตินะตายจากความยึดมั่นถือมั่นตายจากอัตตาตัวนั้นนะแล้วทำหน้าที่เราทำเพราะทำนะทำเพราะทำไม่มีเงื่อนไขนะ ไม่มีเป้าประสงค์ไม่ใช่ทำเพราะความอยากนะก็นั่นแหละคำว่านักเรียนเรายังเป็นนักอยู่เราก็ทำหน้าที่เราทำก็ทำมีมีหลายคนนะไม่ชีน้อยคุณไม่ชีน้อยเ น, นน้อยนะ่ะหลายคนไม่ได้ปิดเทอมไม่ได้กลับบ้านก็ไม่รู้สึกอะไรเห็นไหม ก็ไม่รู้สึกอะไรก็อยู่เป็นปกตินะแต่ถ้าคนตั้งเป้าตั้งเป้านับถอยหลังนับทุกวันเน่นับเมื่อไหร่จะถึงปุ๊บเนี่ยนะนับวันจิตไปผูกกับตรงนั้นไปยึดมั่นถือมั่นกับความอยากตรงนั้นนะอันนั้นเป็นชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ชีวิตที่สมบูรณ์ไม่มีเงื่อนไขไม่มีอนาคตอยู่ปัจจุบัน เป็นไปตามเหตุและปัจจัยไม่มีการวางแผนมันไปขัดแย้งกับทางโลกนะทางโลกไม่วางแผนได้ยังไงทำไมจะไม่ได้ตำรวจก็ไม่จับไม่ต้องขอวีซ่าต่างหากแต่กิเลสมันบอกไม่ได้เห็นไมกิลดกิเล ส, เลสมันไม่ยอมปิดเทอมมันทำงานตลอดแต่ถ้าเราข้ามพ้นมันได้แล้วเนี่ยเออถึงเวลาจะออกไปก็ออกไปตามเหตุปัจจัยถึงเวลาจะอยู่ก็อยู่ไม่มีเงื่อนไข นั่นแหละถ้าเราทำไปเรื่อยๆชีวิตเราจะสมบูรณ์เราจะจะอิสระเราจะพบความอิสระภาพข้ามพ้นถูกผิดดีชั่วบาปบุญคุณโทษนั่นแหละคือชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดนะทีนี้บางคนบุ ค, คลิกกภาพแข็งทื่อกูไม่ยุ่งกับใครและใครอย่ามายุ่งกับกูนะ ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้คือแข็งทื่อไม่มีปฏิโลมไม่มีอนุโลมเป็นไม้บรรทัด ต, ตรงเพะเลยนะอารมณ์อย่างนี้เพราะขาดเมตตาขาดพรมยิหารถ้าให้อะไรต้องมีเงื่อนไขนะต้องต้องต้องต้องต้องต้องอันนั้น อันนั้นเป็นแค่การทำดีนะแต่ไม่ใช่บุญนะมันไม่ได้ทำจากความเมตตาความบริสุทธิ์ใจเนะี่ยทำให้ชีวิตเราแข็งทื่อบางคนแข็งทื่อจนไม่ทำอะไรดีก็ไม่ทำชั่วก็ไม่ทำนะก็เท่ากับเก้าอี้ตัวนีนะ้เสียชาติเกิด หละบางทีเราบ่มเพราะอัตตาตัวตนเรานะแข็งทื่อไปหมดและโดยเฉพาะผู้หญิงเรานะแต่ไม่ใช่ไม่ชีเราเนาะแต่ไม่แน่นะชีซึ่งปิดเทอมกลับบ้านเนี่ยบางทีก็ใช้ความเคยชินที่เราอยู่ในทางโลกที่เขาบอกว่า แต่งตัวแต่งหน้าทุกวันแต่ไม่แต่งใจทําใจให้มันเปื้อนหมดข้างหน้าก็แต่งสวยๆงามๆกลัวเขาว่าเราจะไม่สวยกลัวเราจะหลอกเขาให้หลงรักเราไม่ได้อิสลามเขาถึงไม่ทมําไงวันนั้นพ่อกูให้ไม่ชีโบไลออกมาอยู่นะเขาคุยกับเด็กนักเรียนอิสลามทําไมต้องปิดหน้า ทำไมต้องปิดร่างกายแม้กระทั่งฝ่าเท้านะเขาบอกฝ่าเท้านะั่นแหะตัวดีนะคนทุกวันนี้พยายามจะแต่งตัวอะไรไปล่อเหยื่อเขาบอกว่าเป็นบาปนะถ้ามีความรู้สึกว่าจะแต่งตัวสวยๆเพื่อจะเป็นหลอกคนอื่นนี่เป็นบาปเลยละ่ะคนอื่นไม่รู้จิตเราบันทึกสัญญาไว้แล้วบาปมากแล้วสุดท้ายก็มีโอกาสถูกค่มขืนเพราะเราไปเสนอขายเองไง อิสลามก็ถึงปิดหน้าปิดตานะก็เมื่อกี้นี่ดูรายการหนึ่งแก้วก็เดินมาพอดีเขากำถามนี่มาเนี่ยนะเด็กนักเรียนทางปกากใต้ตัวเล็กๆนะผู้ชายก็ใส่หมวกผู้หญิงก็ปิดผ้าพรากครัวนะ่เหมือนของเราเลยที่ที่เขาใส่หมวกเหมือนเขาเขาโกนผมนะ เหมือนเขาปิดหน้าผู้หญิงก็เหมือนเขากวนผมนั่นแหละเขาเขาเาปกป้องการยั่วยุความสวยงามแต่พูดเราก็ใช้วิธีป้องผมเลยนัยยะมันไม่ต่างกันแต่ถ้าเราไปผ่าตัดไปเสริมสวยนะไปเปาะไปโปะแป้งไปแต่งสี ไปแปลงร่างเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อจะหลอกให้เขามองเราเพื่อจะหลอกให้เขาหลงรักเราวันนั้นเด็กนักเรียนผู้หญิงอิสรามมาเรียนกรุงเทพเขาบอกว่ามันเป็นบาปเดี๋ยวพระครูวันไหนมาชายให้ดูนะนั่นแหละคืออานิสงส์ของการบวชเนี่ยเป็นอุบายวิธีที่เราปลดเบื้อง แล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วจะไม่มีอารมณ์ที่ว่าอันนั้น <c oughs> เราแต่งหน้าแต่งตาเพื่อให้มันสวยเพื่อให้เขาหลงรักเราเนี่ยอันนี้เป็นเป็นมูสานะเป็นการโกหกเพราะมัไม่ใช่ตัวจริงของเรานะมันไม่ใช่ตัวจริงของเร า, นะร เ, ราเหมือนเราไปหลอกเขาอันนี้ก็ผิดศีลคนอื่นไม่รู้แต่จิตเราบันทึกสัญญาไว้แล้วนะ เนะพราะครูโมทนาด้วยพวกเราโดยเฉพาะเด็กๆนะ อ, อ, อายุขนาดนี้แล้วมีโอกาสมาพบคำสอนที่สุดยอดอย่างนี้ลูกโปรดจำคำว่าอดเปรี้ยวกินหวานนะเรายังอยู่ในวัยที่เตรียมความพร้อมทักษะชีวิตนะมันจะมีความรู้สึกอยากเพราะยุคนี้มันมี <c oughs> ข่าวสารสิ่งยั่วยุเยอะแยะเนี่ยมันก็กระตุ้นต่อมความรู้สึกเราอยู่นะยิ่งแบบนี้แหละเรายิ่งต้องอดทนต้องมีขันตินะส่วนมากพลังขันติมันไม่พอก็กลายเป็นขันแตกหมดเสียผู้เสียคนไปเลยนะจำไว้ว่าอดเปรี้ยวกินหวานแล้วก็เมื่อรู้ว่าตัวเองพลังไม่พอ อินทรีพระละไม่พอสายวัดป่าเขาใช้ยังไงรู้ไหมเขาก็ปีกหนีไปอยู่ในป่าเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งมากระทบเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งยัวย่วยวน <c oughs> เขาก็ใช้ปีกวิเวกนะถ้าเกิดเรามีทรงผมอยู่กิเลสมันก็คุ้นเคยว่าให้ผมมันไม่สวยนะต้องไปดัด ทำไมเรียกว่าดัดผมดัดผมเนี่ยสะกดยังไงดอแม่นากาศดอใช่ไหมดัดใช่ไหมแล้วดัดจริตเนี่ยสะกดยังไงตัวเดียวกันใช่ไหมเห็นหคือเราคิดไปเองกลัวว่าเขาจะเราไม่สวยกลัวว่าอะไรเลยอะไรสวยนะเราก็ไปปรุงแต่ง นะ้วกก็ย้อมสีนั้นแล้วก็ย้อมสี น, ะสนี้จมูกมันไม่ตวงก็ไปฉีดให้มันโดง่งเนาะหน้ามันเหี่ยวก็ดึงให้มันตึง <c oughs> อันนี้ผิดศีนนะเพราะเราไปหลอกเขาอะเราไม่ใช่อย่างนั้นนะ่ะนี่มูสาแล้วเมื่อเราผิดศีนแล้วเราจะเข้าใจว่ า, าจะมีความสุขเราคิดไปเองนะแรกๆ ก, ก็หลอกได้อยู่นะ พอเริ่มเบื่อกันมาแล้วอเริ่มขี้เกียจแต่งหน้าแล้วเพราะว่าฉันได้แล้วไงนั่นแหละแล้ปิดบังไม่ได้หรอกสักพักหนึ่งก็เบื่อมันเป็นกรรมที่เราต้องรับเพราะเราไปหลอกเขาไว้เราไปติดสวยงามสวยข้างนอกนี่สวยแบบปรุงแต่ง ไปเพิ่มเติมธรรมชาติแต่ความงามนั่นมันต้องเกิดมาจากข้างในคนเราถ้ามันรักกันจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องรักจากข้างในมีเมตตาเห็นใจกันนะตอนนั้นขาขาดฉันก็ไม่ทิง้งเป็นอัมาพาตฉันก็ดูแลตายแล้วฉันก็ซื่อสัตย์กับเธอฉันจะไม่มีแฟนใหม่นั่นแหละมันรักจากข้างใน ทุกวันนี้ลักจากข้างนอกนะก็ไปหลงเขาหลอกข้างนอกเขาก็ปรุงแต่งไงผมก็ย้อมสีคิ้วก็ไปทาปากก็ทาจมูกก็เสริมแล้วข้างนอกมันไม่ได้อยู่ยงคงกระพันมันก็เหี่ยวไปเรื่อยๆหลอกกันไม่ได้นานนะเรื่องนี้ ที่พรอคูเน้นเรื่องนี้แล้วสองวันนี้ก็สองอาทิตย์นี้ก็มาฉายเรื่องอบวชเนนอะไรพวกนี้นะเ ร, เราศึกษาไปด้วยกันนะแล้วต้องหันมามองตัวเองว่าพวกเราทําไมบวชนะเราสร้างเกาะป้องกันตัวเองเพราะเราเองยังไม่เข้มแข็งนะเรายังสู้อารมณ์ไม่ได้เราอาศัยวินัยของนักบวชเนี่ยอาศัยศีลวินัยเนี่ยเป็นปตัวกํากับแล้วอาศัยหมู่คณะ ครูบาอาจารย์นะช่วยเตือนสติเราบางทีท่านเตือนสติเราอย่าไปน้อยใจอย่าไปโกรธนะมีคนเตือนสติเราเพื่อไม่ให้เราเนี่ยพังเผลไปทำอะไรที่มันเป็นหนทางไปสู่นรกนะเรื่องนี้เนี่ยถึงว่าเรายิ่งใหญ่มากแน่นอนมันเป็นของคู่ตลอดนะเราไปอยู่ข้างนอกก็มีสนุกสนานอย่างหนึ่งบางทีก็เบื่อเหมือนกันนะ วุ่นวายมากเลยนะมีบางคนกลับไปกรุงเทพนะก็ไลายมาบอกรู้อย่างนี้ไม่กลับไปดีกว่ากลับไปก็ไปทะเลาะกับผู้ปกครองนะก็ไปนะทุกแห่งมันมีของคู่ทั้งนั้นแหละนะทุกแห่งมีของคู่นะเราอยู่ที่นี่ก็มีของคู่มันเหมือนปลอดภัยนะแต่บางครั้งก็เขาก็เบื่อไงนั่นแหละ ถ้าไม่เบื่อแล้วเนี่ยจะฝึกขันติกับอะไรล่ะก็เอาตัวเบื่อเนี่ยมาฝึกขันตินะวนะทุกวันนี้เนี่ยไปแต่งหน้าแต่งตาเนี่ยที่พระครูบอกสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงคือตัวทุกอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติทุกหมดเพราะเราไปกลบเกินมัน เรากบเกินเพื่อจะหลอกคนอื่นแต่เราหลอกจิตเราไม่ได้ว่ามันไม่ใช่ของจริงนะเราจะแต่งสวยแค่ไหนก็ช่างสุดท้ายเนี่ยมันก็มีคนสวยกว่าเราคนหลอกกว่าเรามันไม่ไริวันจบสิน้นแต่ถ้าเรายอมรับเนี่ยนะเราตายซะตายจากความหลงตรงนั้นกลับมาเป็นตัวเองเนี่ยเปิดเผยวันไหน ก็เหมือนเก่าฉันคืออย่างนี้แหละให้มันงามออกมาจากข้างในนะตอนนี้ข้างในมันไม่งามมมีแต่ ก, กิเลสไงก็เลยปกปิดข้างนอกสร้างความสวยขึ้นมาเพื่อจะหลอกคนอื่นถ้าทางอิสลามเขาบอกว่าถือว่าเป็นบาปหนักนั่นแหละเขาถึงปิดหน้าปิดตานะเพราะเราไปยั่วยวนเขาเองนะและเราต้องรับกรรมตรงนั้น เราแต่งหน้าแต่งตาทําไมทุกวันนี้เราไม่ได้เอาปากมากินไงเราใช้หน้าตามากินนะแต่งความสวยงามเพื่อตีราคาตัวเองให้มันมากขึ้นถ้าเราใช้ปากมากินแค่นั้นเองเนี่ยกินจนอิ่มมันก็เลิกแล้วถ้าใช้หน้าตามากินเนี่ยเมื่อไหรก็ไม่อิ่มเมื่อไหรก็ไม่พอนะเราสวยแล้วเฮ้ยเขาสวยกว่าเราฉันก็ไปแต่งอีกนะ เนี่ยเขาเรียกว่าใช้หน้าตามากินนะผู้เดินทางเนี่ยต้องใช้ปากมากินนะกินอย่างมีสตินะเป็นหนึ่งเดียวกับมันกินข้าวก็ปฏิบัติธรรมนั่นแะหละไม่มีผู้กินกับสิ่งที่ถูกกินนะมีตะกิริยาการกินเฉยๆเป็นหนึ่งเดียวกับมันนะ คนที่หลงตัวเองว่าเก่งว่าดีนะมันจะเกิดอัตตาขึ้นนะหลงว่าตัวเองเก่งตัวเองดีกว่าคนอื่นมันจะเกิดสร้างอัตตาขึ้นมาทำให้กายเป็นคนจองหองยิ่งพยองแล้วก็พอไม่ได้ดั่งใจปุ๊บก็ทุกข์นี่คือกรรมไงกรรมที่เราหลงว่าตัวเองเราหลงอ่ะโลภโกรธหลง <c oughs> พอหลงว่าเราเป็นอย่างนี้พอไม่ได้ดังใจเราก็เกิดทุกข์ก็รับกรรมตัวนั้นพาะเราหลงนะแลวคนที่ชอบโกรธบ่อยๆไม่ได้ดังใจก็โกรธนะความโกรธนี่มันมาจากไหนนะที่มาของมันก็คือความโลภนั่นแหละโลภอยากจะได้พอไม่ได้ปุ๊บก็โกรธนะ พราโกรธพราะหลงว่าตัวเองต้องได้ต้องเก่งกว่าเขาต้องดีกว่าเขาชอบอยากดังพอไม่ได้ก็โกรธโกรธแล้วก็น้อยใจนะทั้งหมดคือเราทำร้ายตัวเองตลอดนะบุคลิกภาพาพวกนี้มันเกิดขึ้นจากกิเลสก็คือตัวโลคตัวโกรตัวหลงนั่นแหละนะทีนี้มีคำหนึ่งที่ก็บอกว่าเกียรติยศ เป็นบุญบรารมีที่อยู่นานอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นไหมพระองค์ยิ่งกว่าเกียรติยศยิ่งกว่าชื่อเสียงแต่เราไม่ยู่จะพูดยังไงนะถ้าไปเป็นชื่อเสียงพระพุทธเจ้าทุกวันนี้ก็ยังอยู่ทุกคนกราบไหว้พระองค์เหมือนพระเจ้าวโศกเนี่ยเห็นไหม ความดีที่ท่านสร้างมาเนี่ยทุกวันนี้ทุกคนยังแท้องสรรเสริญมันยังอยู่แต่ทรัพสมบัติไม่เหลืออยู่ทรัพสมบัติเราตายแล้วก็เอาไปไม่ได้จบใช่แล้วทรัพสมบัติทุกอย่างมันก็มีอายุไขของมันมันแป็นแค่วัตถุนอกกาย <c oughs> แต่เกียรติยศชื่อเสียงความดีนั่นน่ มันอยู่ยาวนะเราตายไปแล้วเขายังแส่สองสรรเสริญแต่มัวแตะแย่งชิงของคนอื่นเพื่อจะเอาทรัพย์สมบัตินะเราได้มาเราดีใจแต่พอเราตายปุ๊บเขาสาบแช่งและทรัพย์สมบัตินั้นก็ไม่ใช่ของเราแล้วเห็นไหมเรียกว่าอริยศทรัพย์ บารมีที่เราทำความดีเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์ตรงนี้เนี่ยตายแล้วก็ไม่จบ <c oughs> เอาเราไปเผาเผาไม่ได้ร่างกายนี้เผาได้กลายเป็นเท่าทานแต่อริยทรัพย์ที่เป็นบารมีที่บันทึกในจิตเราเนี่ยมันไม่ไปไหนมันเอาไปใช้อนาคตชาติได้นะมันมีคำภาษาลาว คนโบราณเลาลาเขาพูดคำหนึ่งพวกคูเห็นยุคนี้มันกำลังจะเป็นแบบที่เขาทำนายไว้นะพอถึงยุคที่เขาบอกว่ า, เ, า <c oughs> เมื่อกี้เหมือนแบบมันลืมละเนาะคือ ยุคที่มันจะเกิดอาเพศเกิดวิกฤตนะ์นะนะเด็กอายุเจ็ดขวบตั้งท้องแปดขวบเป็นแม่ละนี่เขาบอกว่าต่อไปเก็บมะเขือเนี่ยต้องเอาไม้ไปสอยเอาต้นมะเขือมันแค่นี้เองนะมันเริ่มเป็นแบบนั้นละแล้วเขาก็ทำนายว่าถ้ายุคไหนเนี่ยผู้หญิงหาผัวเจ้าหัว หาเงินผู้หญิงเนี่ยฮลัฮโลฮโหลฮโทรไปหาผู้ชายไปหาผัวเขาเรียกว่าความอยากมันอยากจนมันไม่มีอย่างอายละเป็นยุคที่ว่าเกิดวิปริตหมดแล้วแล้วเจ้าหัวคืออะไรเจ้าหัวคือนักบวชนะนักบวชไม่มุ่งมัน่นมันเป็นเพียย น, นมัวแต่หาเงินหาลัดดลเสรเสร เราเริ่มเห็นแล้วนะำทำารนายนะ่มันถึงแล้วถ้าสมัยโบราณโบราณเนี่ยไม่มีบวชที่ถวายชีวิตภาวนาตัวเลยทุกวันนี้เนี่ยบางทีไม่ไม่ได้บวชเพื่อบาเพ็ญเพียรเพื่อห น, อ น, นีสงสารบวชหนีขี้เกียจนะบวชแค่หนีขี้เกียจเฉยๆขี้เกียจทำงานแล้วก็มาหาเงินง่าย เนี่ยที่เขาทำนายไว้นะเราเห็นแล้วไงถ้ายุคไหนผู้หญิงหาผัวเจ้าหัวหาเงินเดี๋ยวมันจะเกิดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นนะเหมือนธรรมชาติมันจะสะสางหมดเลยนั่งนับหนึ่งใหม่หมดคนลาวเขาบอกว่า คนจนสิได้หัวคนรวยสิได้ให้เขาใจอยู่บ่คนจนสิได้หัวคนรวยสิได้ให้สิได้หัวไม่ใช่ได้หัวนี้นะได้หัวเลาะคนจนจะได้ร้องไห้เพราะคนรวยจะทนสภาพนั้นไม่ได้มันจะไม่เหลืออะไรเลยไฟฟ้าก็ไม่ต้องมี เงินก็ไม่ต้องมีมันใกล้ถึงเวลานั้นแล้วเพราะขับทํานายนั่นที่ทํานายมันเกิดขึ้นหลายอย่างเนาะก็พวกเราคน ข, ข้างนอกแม้กระทั่งชีน้อยเนยน้อยนะญาติโยมจะต้องกราบไหว้แล้วท่านอย่างนี้สมบุติบัญญัติเพราะเราเราถือศีลมากกว่าเขาเห็นไมญาติโยมกรากินข้าวเย็น แต่งชุดสีสวยๆมีทรงผมสวยๆพวกเราต้องไม่มีเห็นหเขาต้องกราบไหว้เราท่านในฐานะสมบุติบัญญัตินะเราต้องขึ้นว่าเป็นผู้ทรงศีลแล้วเนี่ยต้องรู้ว่าศีลเป็นข้อห้ามธรรมเป็นข้อปฏิบัติเราต้องมีทั้งศีลทั้งธรรมเราปฏิบัติธรรมทุกวั น, วนเราบำเพ็นเพียนทุกวัน นะเราก็อยู่ในศีลวินัยนั่นแหละสมควรแก่กราบบ้ายและบูชานะเราต้องทำหน้าที่เราอย่างตั้งมั่นอย่างซื่อสัตย์นะที่นี่มันมีคำถามคำหนึ่งคนไม่มีน้ำใจเป็นคนชั่วไหมชั่วไหม คนไม่มีน้ำใจเห็นปุ๊บไม่ใช่เรื่องกูเห็นปุ๊บก็ไม่ใช่เรื่องกูนะคนไม่มีน้ำใจไม่ใช่คนชั่วเขาไม่ได้ทำชั่วอะไรแต่เขาพลาดโอกาสในการทำดีเท่านั้นเองเขาพลาดโอกาสในการทำดีเพราะเขาไม่มีจิตที่เมตตา ทำให้เขากลายเป็นคนไม่มีน้ำใจนะถึงจําเป็นทำอะไรก็ทำแบบมีเงื่อนไขนะไม่ได้ทำจากศรัทธาไม่ได้ทำจากความเมตตาของจิตนะทำให้เรากลายเป็นคนไม่มีน้ำใจนะแต่คนมีน้ำใจมากเกินไปจนขาดสติ อันนั้นก็ไม่ใช่บุญลึกๆไปติดกรรมดีนะมันไม่ใช่บุญมีน้ำใจจนว่านอนไม่หลับเป็นห่วงเขาทรมานตัวเองอันนี้ก็เป็นแบบมีน้ำใจแบบขาสตนะิน้ำใจมันเป็นเรื่องของใจนะเป็นเรื่องของใจอยู่พอวันใหนเบื่อมาไอ้น้ำใจนั้นหายไปหมด กลายเป็นกูจะเบื่อมึงอะไรเนี้ยนะมันยังเป็นอารมณ์อยู่นะเราเปลี่ยนน้ําใจนั้นให้กลายเป็นความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทำไปเรื่อยมันจะกลายเป็นถ้าภาษาลกโลกก็เป็นกลายเป็นอุปนิสัยเราไม่เรื่องด้วยอยากหรือไม่อยากมันทําทํา ทำตามอุปนิสัยนะนะยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะยิ่งให้ก็ยิ่งได้บางคนให้แล้วเสียเปรียบให้ทําไมนะเริ่มจากหยาบๆแล้วไม่มีน้ําใจแล้วก็ละเอียดขึ้นมาเราไม่มีเมตตาไม่มีกรุณณาไม่มีมุทิตาไม่มีอุบเบกขาบางคนมีเมตตานะเอ้ยสงสารมันนะ นะสงสารแต่ก็นั่งเฉยๆไม่ไปช่วยเขาเพราะไม่มีการุณาเขาล้มลงไปสงสารมันนะแต่ธุระไม่ใช่ก็ได้รู้สึกสงสารก็ยังดีกว่าไปสาบแช่งมันอยู่แต่บางคนเห็นล้มลงไปเนี่ยหลังจากมีเมตตาปุ๊บวิ่งไปช่วยเขามีการุณานะ ขณะไปช่วยเขานะแต่วันใดวันหนึ่งเห็นเขาได้ดิบได้ดีกว่าเราอิจฉาเขาลิสยาเขาเพราะไม่มีมุทิตาเมตาก็เมตตาการุณาก็กรุณาอยู่แต่บางครั้งเห็นคนอื่นได้ดีกับเราเนี่ยไม่มีมุทิตาไม่ยินดีกับสิ่งที่เขาได้ดี เนี่ยคนแบบนี้ไม่มีมุทิตาต้องถูกแป๊กไว้ตรงนั้นบางคนเพื่อนได้ดีนะโอ้ดีใจสาธุนะ <c oughs> ดีใจกับเพื่อนนะมีมุทิตาแต่บางวันเนี่ยโดนเพื่อนมาทำให้เราเสียหายนะ ไม่ยอมไม่มีอุเบกขาคือนิ่งไม่ได้ละเรื่องอะไรมาเอาของฉันเรื่องอะไรมาเอาเปรียบฉันเนี่ยไม่มีอุเบกขาถ้าเรายังอยู่ในบ่วงตรงนี้อยู่เนี่ย <c oughs> เราจะก้าวไปสู่ความความพ้นเราจะก้าวไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่ได้ ลำพังการเจริญภาวนานะถ้าไม่มีบุญเก่าจริงๆเนี่ยนะถ้าเราไม่เน้นเรื่องทานด้วยเนี่ยนะถ้าคนไม่มีพรมวิหารแล้วเนี่ยมันจะเป็นทานที่ไม่บริสุทธิ์มันเป็นกิริยาในการสร้างผลงานเฉยๆอยากดังอยากอวดเจ่งนะมันเป็นแค่อุดมการมันไม่ใช่ธรรมะนะทำไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวเราจะเป็นคนใหม่นะ โดยเฉพาะพวกเราตัดสินใจมาใช้ชีวิตที่นี่แล้วเนี่ยก็พรอคูว่าชนะเราครึ่งหนึ่งนะเรากล้าลดละเลิกความสวยงามของเรานะลดละเลิกความสะดวกสบายของเรานะอันนี้ก็เมื่อมีโอกาสแล้วเนี่ยให้ทุกคนตั้งมั่นเดินต่อไปนะแล้วก็มีสามสี่คำถามไปเร็วๆพราคูยังมีเวลาอยู่ ก่อนปฏิบัติเรามีความคิดมากมายแต่พอทำไปสักพักทำไมเราถึงรู้สึกตัวเองว่าเราไม่มีตัวตนมันเบามากเบาเหมือนอากาศหรือว่าเรารู้สึกไปเองคะทุกอย่างเป็นแค่ความรู้สึกตอนเราไม่ปฏิบัติเราหนักเนั่ยแหละก็คือความรู้สึกมันเป็นอุปทาน แต่พอปฏิบัติจิตมันเผลอวางไอ้อุปทานตอนนั้นน่ะมันก็รู้สึกเบาทุกอย่างก็เป็นความรู้สึกหนักก็ดีเบาก็ดีอันหนึ่งมันหนักเพราะเป็นอุปทานที่เราไปยึดมั่นถือมั่นสร้างความหนักอกหนักใจให้เราน้ําหนักตัวเราไปชั่งกิโลเท่าเก่านะแต่ทำไมไมันรู้สึกหนักพอมาเต้นมาเวียงปุ๊บเนี่ย น้ำหนักตัวก็เท่าเก่าทำไมรู้สึกเบาหนักเบาไม่ใช่เรื่องกายภาพมันเป็นเรื่องความรู้สึกเรื่องของอารมณ์เรียกว่าเจตสิกนะกายจิตอารมณ์มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกแต่ความรู้สึกนี้เป็นเจตสิกนะเป็นอารมณ์ของจิตนะแต่ถ้าเราฆ่าอุปท า, านไปหมดโดยเฉพาะระเบิดอัตตา ไอคนที่มันรู้สึกเบารู้สึกหนักนั้นทิ้งแล้วเนี่ยมันก็เบาตลอดการมันก็เบาตลอดการส่วนร่างกายขันมันเปลี่ยนไปตามอะไรของมันเนี่ยก็เรื่องของมันเห็นหเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเราจะรู้สึกเบาตลอดเวลานะเป็นอุปทานนะหนักก็อุปทานเบาก็อุปทาน เมื่อวานในช่วงปฏิบัติน า, นานาจิตตังในช่วงบ่ายหลังจากปฏิบัติมีอาการอาเจียนแต่ในขณะปฏิบัติไม่รู้สึกเวียนหัวเลยสามารถสะบัดศรีรษะและสั่นสะเทือนอย่างแรงได้เหตุคือเกิดจากเสียงเพลงด้วยพราะครูสอนว่าไม่ให้ยึดติดกับเสียงเพลงแต่ร่างกายและจิตไปเองอัตโนมัติเป็นเพราะอะไรคะ ก็เป็นเพราะมันไปอัตโนมัตินะเอาเป็นว่าเสียงเพลงนั้นเป็นเครื่องมือนะเราก็ใช้มันมาดำเนินนะเสียงกระทบหูมันก็เกิดแรงดึงที่หูหัวใจเต้นปุ๊บก็ดึงจิตเข้าไปรั่วหลมที่ใจก็เกิดแรงเบี่ยงขึ้นเมื่อมันอิสระแล้วเนี่ยนะเราฟังเพลงก็ได้ไม่ฟังเพลงก็ได้ไม่ปฏิเสธมันนะเราใช้บางทีจิตมันก็ใช้จังหวะเพลงเนี่ยมาทาอริยบท เหมือนเราเต้นลำเป็นเนี่ยถ้าเราชำนาญแล้วไม่ต้องมีมีจังหวะเพลงก็ได้แต่ถ้ามีจังหวะเพลงเนี่ยมันก็เต้นได้ดีกว่าไม่ใช่เราติดมันนะนะก็คือว่าจิตมันใช้เสียงตรงนั้นอะ่ะมาเป็นเครื่องมือให้ให้จิตมันมีหน้าที่มีที่ยึดไม่งั้นมันจะเผลอไปคิดนะตอนนั้นเราจะรู้สึกอิสระภาพจากความคิดแล้วก็เกิดความสงบเกิดความว่าง เมื่อก่อนเวลาปฏิบัติไม่ปวดหัวเขา่าแต่สองวันนี้เวลาปฏิบัติจะปวดหัวเข่ามากเป็นเพราะอะไรคะนะเป็นเพราะมันไม่เที่ยง <c oughs> นะปกติเนี่ยเราไม่ชอบเจ็บเราไม่ชอบแก่เราถึงไปแต่งหน้าไงแล้วก็ไม่ชอบตายเลยเราไม่ชอบ พอมันแก่ปุ๊บเราก็ทุกข์แล้ ว, ลวพอมันเจ็บปุ๊บเราก็ทุกข์พอมันจะตายเราก็ทุกข์เห็นไหมธรรมดาเกิดมาแล้วเนี่ยแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานะเมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยบังเอิญมันมีวิบากที่มันซ่อนอยู่มันจะแสดงตัวจะเจ็บเข่าบ้างเจ็บน้นเจ็บนี่บ้างเนี่ยเพื่อให้จิตปัจจุบันยอมรับมัน ถ้ายอมรับความเจ็บปวดนั้นน่ะสัก ต, ต่รู้มันเจ็บอย่าไปเจ็บตามมันนั่นคือขบวนการยอมรับวิบากใช้วิบากนั้นน่ะเป็นเครื่องมือของการฝึกจิตเราไม่ต้องไปบางทีไปนั่งทับมันเวลาวันหนึ่งเป็นเป็นสิบสิบชั่วโมงสร้างเวทนาขึ้นมาทําไมอันนั้นชอบเห็นไหมล่ะทําไมไปออกกําลังกายเหนื่อยวิ่งเหนื่อยมากเหงื่อไหลใครย้อยเลยแล้วทาไมอดทนวิ่ง เห็นไหมล่ะเพราะเรายอมรับมันเน่ยเราก็ไม่ได้ทุกข์กับมันแต่ถ้าไม่ได้ไปทไม่อยากทำงานนั่งพักผ่อนอยู่ถูกเขาใช้มาม า, มาไปถูพื้นอะไรเนี่ยอ่ะมันเบื่อตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยนะทำไปด้วยทุกไปด้วยก็มันปฏิบัติอะอาการอะไรเกิดขึ้นก็ช่างเจ็บนั่นมีประโยชน์นะมันเป็นเวทนาในเวทนาเราไม่ต้องไปเป็นนั่งทรมานมันให้มันเกิดเวทนา มันเกิดเวทนาแล้วเอาความเจ็บปวดนั่นแหละเป็นครูลองอย่าหนีมันนะยองลองอย่าหนีมันนะยิ่งเจ็บยิ่งเหวียงยิ่งปวดยิ่งเวีย ง, ย ง, ยงอย่าไปห น, นีมันไม่มีผู้ใดหนีกรรมตัวเองพ้นเราหนีวันนี้ก็ใช้ในวันหน้าใช้ในชาติหน้าจ่ายมันแล้วสักพักหนึ่งไอ้ทวามเจ็บปวดนั้นก็หายไปแล้วก็เข้าถึงอะไร เข้าถึงกฎพระไตร ล, ลักษณะสามประการของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาความเจ็บปวดนั้นก็ไม่เที่ยงบางทีเราอยู่ในกรรมฐานลำไปลำ ม, มามีความสุขมากเลยนะกำลังสุขดีๆนะปุ๊บเดียวมีสิ่งเปลี่ยนแปลงมาปุ๊บกระทบปุ๊บในความสุขนั้นหายไปถ้าเราไม่สำรวมระวังนะเราจะทุกข์เลยเพราะเราสูญเสียความสุขไป แต่ถ้าเราสำรวมระวังความสุขมันหายไปฉับพันปุ๊บนะถ้าเราไม่ระวังปุ๊บความทุกมาแทนที่จริงๆแล้วความสุขมันหายไปก็ได้ประโยชน์นั่นคือวิปัสนาทําให้เราเห็นว่าความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความเจ็บก็ไม่เที่ยงนะมันเป็นถามพ่อครูมันเป็นธรรมลมอย่างหนึ่งมันไม่ได้เจ็บจริงๆ จ, จ, จากกายภาพเรานะมันเป็นธรรมลม นะแต่จิตต้องสัมผัสอารมณ์ความเจ็บนั้นเหมือนเราสัมผัสความเจ็บจริงๆนั่นะเอาอารมณ์เจ็บนั้นน่ะมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินของจิตเวลาหมุนทำไมรู้สึกเหมือนมีหลุมๆเยอะไปหมดเลยเป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะมันมีหลุมๆก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็น มันก็เป็นธรรมลมอย่างหนึ่งเมื่อเราเข้าไปในกรรมฐานเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยเราเกิดนิมิตอะไรก็ช่างไอ้ที่เหมือนสัมผัสเหมือนหลุมหลุมมัะนะมันไม่ใช่หลุมจริงๆนะเห็นหั้มเราเห็นเป็นนิมิตเป็นความรู้สึกก็ดีเนี่ยเราเห็นจริงๆแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงจิตเดิมเราไปสร้างภาพนิมิตเหล่านี้มาสอบจิตปัจจุบันเห็นหมเราก็ตั้งคาถามแล้วว่า มันคืออะไรเราไม่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นรู้เฉยๆผ่านผ่านผ่านเหมือนเราจริงเป้าปีนเห็นก็ยิงยิ ง, ย, งยิงิไม่ต้องพิจารณามันมาจากไหนนั่นแหละเรารู้เท่าทันอารมณ์นั้นเห็นปุ๊บไอ้ความเห็นนั้นไม่มีผลสำหรับเราเราไม่มีความลังเล ส, สงสัยไม่มีความอยากรู้มันนั่นแหละเราผ่านได้แต่นี่ยังแบกมาถามอยู่แสดงว่าไม่สักแต่ว่าเห็นนะเป็นลุมหลุม ก็มีปัญหานะไม่เห็นอะไรเลยก็มีปัญหานะทาไมคนอื่นเ็าเห็นวันนี้ทำไมหนูไม่เห็นอะไรสักทีหนึ่งก็มีปัญหาอีกไม่เห็นก็มีปัญหาเห็นก็มีปัญหาเพราะเราไม่สักแต่ว่าเห็นเวลาที่ปฏิบัติทั้งสมาธิเวียงและนานาจิตตังจะมีท่าทางที่แตกต่างกันหลายรูปแบบในแต่ละครั้งเช่นนานาจิตตังบางทีก็ปล่อยมือ บางทีบางทีก็นิ้วทําอริยบทต่างๆเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นนานาจิตตังก็มันเป็นนานาจิตตังไงมันไม่ใช่ศาสตร์วิชาอะไรที่สอนให้เราไปยึดมั่นเป็นหุ่นยนไงอันนี้เขาว่นานานาจิตตังนะจิตเราเองเนี่ยแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันอารมณ์มันก็ไม่เหมือนเก่านไ ไม่ใช่ฝึกวิชานะั้นวิชานี้ต้องเป็นท่านนั้นตลอดไงอันนี้เรียกว่านาน า, นาจิตตังนี่แหละเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยไอ้ความเปลี่ยนแปลงก็คืออันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยทำไปเรื่อยๆอยู่กับมันเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็กลายเป็นจิตมันมีปัญญามันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันยอมรับความเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วมันก็จะฉลาดใช้ความเปลี่ยนแปลงนั้นนะ่ะมาใช้ประโยชน์ได้หมดเนะีเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาส เราจะเกิดปัญญาเพราะเราเห็นความเปลี่ยนแปลงนี่เป็นสภาวะปกติธรรมดานะไม่ใช่ไปฝึกวิชาอะไรนั่งอยู่ท่านั้นก็เป็นท่านั้น น, นนะ น, นี้ที่มันเปลี่ยนท่านี้เขาเรียกว่าจิตมันเอาท่าในทางวิชาการทางศาสนาเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอริยบทบับมันใช้อริยบทของการเคลื่อนไหวาการเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทีละท่านเนี่ยทำให้จิตเนี่ย รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงรู้เท่าทันอริยบทนั้นเหมือนเราไปยืนหมุนไหมอริยบทหมุนอมันอาศัยความเร็วของขอ ง, ของวิถหมุน่ะถ้าเผลอไปคิดปุ๊บนี่สะดุดเซยเลยเห็นไอันนั้นก็เหมือนจิตมันฝึกให้เราทรงตัวรู้เท่าทันความไวก็ได้ช้าก็ได้นะมันไปซ้ายก็ได้ขวาก็ได้เนี่ย้าเรียกว่าจิตมันเพล่นะมันเล่นเกมเพื่อให้มันเกิดความชนานาญ ที่พ่อครูบอกว่าแรงไม่พอทําให้อารมณ์อื่นมาแทรกหมายถึงอะไรครับต้องแรงขนาดไหนถึงจะพอครับแรงในที่นี่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าอาการที่มันมันเคลื่อนไหวมันแรงเท่านั้นเองนะบางทีแก้งเคลื่อนไหวแรงๆนะ่ะแต่คําว่าแรงนี่คืออินทรีย์พละงกาลังของจิตเรามันไม่พอนะทีนี้ทํำยังไงก็ทําต่อไปนะ เสริมกําลังมันไปเรื่อยๆนะใช้อินทรี่ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเป็นเครื่องมือดําเนินไปเรื่อยๆมันก็เกิดกําลังขึ้นมาเรียกว่าพลังกาลังมันก็มากขึ้นความคิดมันยังมีอยู่มันจะแทรกเราไม่ได้แน่นอนถ้าเรารวมกายเวทนาจิตทำรวมเป็นหนึ่งเดียวเห็นไหมเมื่อมันมันหมุนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วเนี่ยพลังมันมีมากแล้วเนี่ยความคิดก็แทรกไม่ได้ แต่ไม่ใช่ตั้งใจที่จะตั้งใจมันหมุนแรงๆนะเฉพาะร่างกายเองเนี่ยไม่พอต้องรวมทั้งกายจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวนะอย่างบางคนสุเรียนจันทันแรกๆมันให้เราเอาความเร็วก่อนเพื่อส่งตัวให้ให้ร่างกายมันคุ้นเคยความเร็วเมื่อมันชํานาญแล้วที่นี้มันไม่เน้นเร็วละมันเน้นเรื่องปรานิ่งเหมือนข้างนอกหมุนชาชายก็ช่างแต่ว่าอะไรก็แทรกไม่ได้ เพราะอินทรีย์พละมันมีกำลังกำลังของจิตแรงไม่ได้หมายความว่าต้องต้องแค่ร่างกายข้างนอกแรงนะถ้าร่างกายข้างนอกแรงแต่จิตเหรอเหมือนเหมือนเราหมุนลูกข่างเห็นไหมมันเวียงมันเหมือนเวียงเร็วมากแต่มันยังเซไปเซมาอยู่แต่ถ้าจิตมันมีพลังมาอยู่ในแกนกลางเพิบเนี่ยมันรวมเป็นหนึ่งเดียวนั่นแหละแล้วเหมือนมันไม่แรงแต่มันแรงมากตอนนั้นแหละอะไรก็แทรกไม่ได้แล้วตอนนั้นมันจะมีลูกเล่น ลูกเล่นช้าๆน่นแหละมันก็เล่นได้แต่ถ้าเราไม่ชำนาญเนี่ยเราไปเล่นปุ๊บเราจะเซเราจะล้มเลยนะเนี่ยแรกๆจิตมันต้องเอาร่างกายก่อนนะแต่ไม่ใช่ว่าไปติดเร็วร่างกายเร็วอย่างเดียวนะมันต้องเนียนนะมันต้องละเอียดขึ้น ผมมีปัญหาเกี่ยวกับการทำสมาธิเหวียงครับคือเมื่อนั่งไปนานๆานแล้วรู้สึกปวดเส้นที่ขาทำให้จิตไม่เป็นสมาธิเลยไม่เข้าไม่เข้าจิตสักทีผมเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นพูริพัตโตตอนที่ท่านสั่งสอนลูกศิษย์ท่านกล่าวไว้ว่าบางคนก็ถูกจริตกับการนั่งปฏิบัติบางคนก็ถูกจริตกับการเดินบางคนก็กาหนด ลมหายใจบางคนก็จับเอาจุดจุดหนึ่งเพื่อเพื่อยึดเป็นสมาธิสรุปคือการปฏิบัติต้องแล้วแต่จดิตของแต่ละคนซึ่งผมอาจจะไม่ถูกจดิตกับการนั่งนานๆไม่ได้ขอถามว่าถ้าผมลองเปลี่ยนเป็นนอนสมาธิจะทำให้การปฏิบัติเข้าถึงจิตได้หรือเปล่าครับ เราเข้าใจคำว่าจริตต้องให้มันถูกต้องนะจริตไม่ได้แปลว่าความเคยชินหรือความชอบนะะว่าบางคนเคยไปฝึกนั่งในป่าเงยียบๆคนเดียวนะเอ๊ะมันสงบได้ไวนะแล้วก็ไปติดว่าเราจดิตเราชอบอย่างนั้นพอมาเจอเสียงดังๆปุ๊บเนี่รับไม่ไหวอันนี้ไม่ใช่จริตอันนี้คือกิเลส กิเลสคือความเคยชินโดยเฉพาะกิเลสชาตินี้เราจําแม่นว่าเราชอบแบบนี้จรหิตจริงๆต้องเข้าไปในจิตในจิตแล้วจิตเดิมเราเนี่ยเขาสะสมบรารมีด้านไหนน่ะนี่เขาเรียกว่าจรหิตเห็นไหมจรหิตมันเป็นเรื่องของจิตมันเป็นเรื่องของความความเคยชินที่จิตบ่มเพาะความชํานาญนั้นมายาวนานมันจะเอาจรหิตตรงนั้นมาสอนจิตปัจจุบัน ส่วนกิเลสปัจจุบันนะ่ะเมื่อเราคุ้นเคยแบบนั้นเราก็ไปหลงติดว่าเราชอบแบบนั้นมันยังมีอคติแฝงอยู่มันไม่ใช่จริตนะจริงๆแล้วเวียงเนี่ยบางคนช้าบางคนไวนะไม่ต้องเวียงมายืนเช็คแอนแดนเนี่ยนะเช็คแอนแดนนาณาจิตตังเนี่ยทำให้มันตั้งมัน่นเป็นหนึ่งเดียวมันก็เข้าไปได้นะหรือไม่ต้องเวียง ไม่ต้องเอาเสียงเอาพุโทโธนี่แหละอย่างหลวงปู่มั่นนี่แหละหลวงปู่มั่นเนี่ยติดพุดโทโธอยู่นานมากไปดูหนังสือเล่มเก่าๆท่านบอกนะมีแต่พุธโทพุธโทพุธโทพุธโธมันก็ได้สงบนิ่งนะแต่ว่ามันก็เป็นการรวมพลังอย่างหนึ่งสมาถากรรมฐานเมื่อท่านเกิดปัญญาแล้วว่าท่านก็วางพุโทโธตรงนั้นน่ะมันก็หมุนไปทั่วล่างเลยนี่คือพุโทโธนั้นน่ะคือเอาลมหายใจ ลมหายใจนั่นคืออากาศเราต้องพัฒนาอาณาเนี่ยเป็นอากาศเนี่ยให้กลายเป็นปลาณะขึ้นมาเป็นปรานขึ้นมาเมื่อมันเกิดลมปราณพอพอหลวงปู่มัน่นท่านวางพุโทโธนึงก็เกิดมันก็หมุนไปทั่วล่างเลยกลายเป็นอาณาปาณสติเป็นปรานขึ้นมาแล้วนะท่านก็จับไอ้ลมปรานที่มันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเป็นกรรมฐานนะเป็นที่ตั้งแห่งการ ปฏิบัติการกระทำนั่นคือกรรมฐานนะแต่ถ้าอยู่แค่นั้นก็ได้เจริญอานาปานาสติเป็นอนุสติแล้วไปติดที่สมาธิก็ติดที่อนุสติสติเล็กๆ เ, เห็นไหมบางคนฝึกมาสามี่ปีนะ่ะตรงนั้นนะ่ะมันเข้าไปในจิตไม่ได้เราต้องเร่งสติหมุนกงล้อของธรรมจัดนะเร่งให้มันเร็วขึ้น นะเมื่อมันเร็วขึ้นวินาทีที่พลังหมุนมันเร็วขึ้นลมปานนั้นมันเร็วกว่าแรงดึงดูดของความคิดกับอิจตนะทุกส่วนโดยเฉพาะหัวใจเนี่ยมันดึงจิตไว้มันก็ดีดเข้าไปสู่จิตในจิตนะแล้วพัฒนาจากอนุสติเป็นสติปัฏฐานสี่เป็นมหาสติปัฏฐานสติปัฏฐานสี่ก็คือทีละขั้นฝึกฌานให้มัน อาศัยแก่กล้าจากฐานกายในกายเข้าไปเวทนาในเวทนาเข้าไปในจิตในจิตได้ระลึกชาติก็ได้แต่ไม่แสดงทางกายภาพอันนี้ต้องใช้เอาเวลาบ่มเพาะพลังมหาศาลนะยังไม่ใช่มหาสติมหาสติเนี่ยต้องรวมฐานทั้ง4ี่นี่เป็นหนึ่งเดียวสติปัฐานทั้งสี่ต้องบริบูรณ ทีนี้ เ, นเราต้องอาศัยฐานคืออาณาปณสติของเราเรียกว่าเริ่มต้นอานาปนสติได้ไม่ได้ไม่ผิดอะไรเลยนะเนี่ยลองหายใจให้มันไปชนหัวใจดูซิมันก็เกิดแรงหมุนขึ้นแต่มันจะเหนื่อยมันก็ทุงใจตรงๆนะแต่ถ้ามันหมุนแล้วเนี่ยเราวางมันซะ วางลมหายใจวางหัวใจซะให้มันหมุนไปด้วยตัวมันเองแล้วก็แรกแรก่างกายก็ใส่เจตนาช่วยมันเข็น น, ะนั่นแหละเดี๋ยวมันก็หมุนขึ้นมานะพอหมุนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าแรงเวี่ยงมันพอทีนี้ไอ้คนที่มันหมุนยังไม่ได้เพราะมันไปติดเรื่องกําหนดเรื่องเจริญสตินั่นแหละมันลึกๆเราทำอยู่แต่เรายังควบคุมมันอยู่ต้องเทตัวเองเข้าไปร้อ มันแรงเบี่ยงมันมากปุ๊บมันต้องไม่นั่งหมุนนะหัวเข่าไม่ต้องเจ็บเลยมันจะพาเรากิ้งเลยกิ้งเลยไม่ต้องเราไปตั้งใจนอนเห็นหมเราชอบเลือกทำสมาธิโดยที่เราเลือกท่าไหนเราคุ้นเคยกับการกำหนดการควบคุมนะเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยทุกขั้นตอนที่เราทำเนี่ยพยายามอย่าไปควบคุมพยายามอย่าไปสั่งการ เราไม่ได้ฝึกวิชาใดๆนะก็ทำให้ตัวเองผ่อนคลายถ้ามันเจ็บเนี่ยลองเอาอยาหนีมันนะลองเอาความเจ็บตรงนั้นนะ่ะผู้ชายเราเนี่ย70็สรซนตเี่ระเบิดเพราะขาเจ็บมันจะสัสสส่นทำกัดดีดขึ้นไปเลยนะเราต้องมีขันติเจ็บนั่นคือเวทนาไงมันเป็นฐานที่ตั้งแห่งการดำเนินเหมือนกันอย่างหนึ่งนะแต่จะไปจดจอ่อเจ็บนอเจ็บนอตรงนั้นอันนั้นคล้ายว่า ไปเอาเวทนามาเป็นฐานที่ตั้งเจริญอนุสติเท่านั้นเองเจ็บเราก็รู้ร่างกายมันเก่งเราก็รู้จิตมันทุกเราก็รู้รู้เฉยๆขันตินะยิ่งเจ็บยิ่งเวียงยิ่งปวดยิ่งเวียงเพราะคุณเน้นตั้งเนียอยาะไปหนีมันถ้าเราแค่ครั้งเดียวเราข้ามมันได้ต่อไปความเจ็บปวดนั้นก็หายไปโอเคนะวันนี้ก็เอาแค่นี้ก็พอได้เวลาสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณระษีรัตนาใจ